จเจออริญพรท่านผู้มีเิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอังการที่สามมกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ญาติโยมจึงญ่ายมีเวลา มาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นสเบียงที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้สู่การหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวรไหวตายเกิดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับบุญกุศลเพราะบุญกุศลเป็นสิ่งที่ เราเอาติดตัวไปได้เป็นที่พึ่งของเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้เป็นที่พึ่งแล้วเรายังมีบุญมีกุศลบุญกุศลจะให้ความสุขให้ความเจริญแก่เราเวลาที่เราต้องไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติถ้าเราไม่มีบุญมีกุศลมีแต่บาปมีแต่กรรม พาไปเราก็จะไปสู่ที่เราไม่ปรารถนากันเหมือนกับไปติดคุกติดตารางคุกตารตารงของพวกเราหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วก็คืออบายคือที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกถ้าเรา ทำแต่บาปทำแต่กรรมบุญกุศลไม่ทํากันตายไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็เหมือนกับโลกของเราที่อยู่กันในวันนี้มีที่ดีกับมีที่ไม่ดีเช่นคุกตารางนี้เป็นที่ไม่ไม่ดีไม่มีใครอยากจะไปติดคุกติดตารางกันแต่ทําไมต้องไปติด เพราะว่าไปทำผิดกฎหมายไปทำบากนั่นเองไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นไปกระทำผิดกฎหมายยา้า <c oughs> ที่ทางบ้านเมือง <c oughs> ก็ต้องจับเข้าไปลงโทษขังในคุกในตารางฉันใดเวลาที่เราตายไปถ้าเราทำบากถึงแม้ว่าไม่มีใครมาจับเราได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ แต่ตายไปนี่ย ม, มาบาลจะมาจับเราไปกฎแห่งกรรมจะเป็นผู้จัดการไม่มีใครมาคอยจับเรากฎแห่งกรรมนี้เป็นของธรรมชาติที่จะเป็นไปตามเหตุเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกถ้าปลูกต้นไม้เดี๋ยวมันก็ออกดอกออกผลไม่มีใครต้องมาสั่งให้ต้นไม้ออกดอกออกผล ถึงเวลามันก็จะออกดอกออกผลเองเรื่องบุญของเรื่องบุญเรื่องบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำแล้วถึงเวลามันก็จะออกดอกออกผลหนีไม่พ้นบุญกรรม น, นี้เราหนีไม่ได้บุญกับบาปนี้ถ้าทำไว้แล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญของบาสนั้นถ้าเราไม่อยากจะรับผลของบาปก็อย่าทำบาปเ ท, ท่านั้นเอง ถ้าไม่ทำบาสนับรองได้ว่าตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่ดื่มสุรายาเมาตายไปนี้จะไม่ไปอบายอย่างแน่นอนเหมือนกับพวกเราที่เขารบกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายไม่นับรองได้ว่าไม่ไปติดคุกติดตารางอย่างแน่นอนนี่คือ เรื่องของเหตุของผล mm hmm. เหตุก็คือการกระทาของพวกเรา mm hmm. ที่เมื่อทำแล้วก็จะต้องเกิดผลขึ้นมาเหตุ mm hmm. ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ mm hmm. ก็ทำได้สามทางด้วยกัน mm hmm. ทาทางใจทาทางวาจาและทาทางกาย mm hmm. เวลาเราพูดอะไรนี้ mm hmm. เรากำลังทำเหตุ mm hmm. เวลาที่เรากำลังทำอะไร ด้วยดวยร่างกายของเราเรากำลังทาเหตุเวลาที่เราคิดอะไรนี่เรากำลังทาเหตุเหตุมันก็มีสามเหตุด้วยกันเหตุที่ดีเหตุที่ไม่ดีและเหตุกลางกลางที่เรียกว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เชิงเนี่ยเราทำสามเหตุเราก็เลยมีผลสามประการตามมา ถ้าทำเหตุไม่ดีคือทำบาปก็มีความทุกข์ความร้อนมีอบายตามมาถ้าทำดีก็มีความเย็นมีความสุขมีสวรรค์ตามมาถ้าทำกลางกลางไม่ดีไม่บาปก็จะไม่มีผลดีผลบาปตามมาทำอะไรที่เราที่ว่าก็ทำแบบกลางๆ ก, ก็เวลาที่เราทำอะไรให้กับตัวเราเอง เช่นเวลาเราอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารออกกำลังกายการกระทาเหล่านี้ไม่เรียกว่าบุญหรือไม่เรียกว่าบาปการกระทาที่จะเป็นบุญจะเป็นบาปได้นี้ต้องอยู่ที่ผู้รับการกระทาของเราถ้าเราทำอะไรให้แก่ผู้อื่นทำให้เขาเกิดความสุขขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเรากำลังทำบุญ ถ้าเราทําอะไรแล้วทําให้เขาเกิดความทุกข์ทาให้เขาเดือดร้อนเสียหาย <Okay. S 1> อันนั้นเราเรียกว่าทําบาสนี่คือการกระทําถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราทําบุญหรือทําบาปขอให้ดูผลที่กระทบแก่ผู้อื่นถ้าทําไปแล้วทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายทําให้เขาเจ็บทําให้เขาเดือดร้อน อันนี้เรียกว่าเป็นการทําบาปเช่นการฆ่าผู้อื่นเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนแน่ๆเพราะเขาไม่อยากจะให้ชีวิตเขาต้องหมดไปหรือเอารักเอาทรัพย์ของเขาไปโดยไม่ได้อนุญาตเอาไปก็จะทําให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาเสียหายหรือไปยุ่งกับสามีภรรยาหรือบุตรธิดาของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็จะทําให้เจ้าของเขาเสียหาย เอนหรือเวลาเราไปโกหกหลอกลวงทำให้เขาต้องเกิดความเสียหายตามมาอันนี้ก็เป็นการกระทบาบาปหรือเวลาเราดื่มสุรายาเมาแล้วเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ไม่สามารถควบคุมการคิดการพูดการกระทาของเราได้เราก็มักจะไปพูดไม่ดีทำอะไรไม่ดีต่อผู้อื่น นี่คือการกระทําที่เรียกว่าเหตุที่ไม่ดีเป็นบาปมีโทษทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ขั้นต้นก็ใจเราก็จะไม่สบายใจเราจะร้อนใจเจาจะทุกข์จะวิตกกังวลเวลาทําบาปแล้วใจจะไม่สบายแล้วถ้ามีคนเขาไปแจ้งความเจ้าหน้าที่มาตามจับเราไปจับเราไปได้ เราก็ต้องไปติดคุกติดตารางและยังไม่หมดพอตายไปยังมีคุกในโลกทิพย์ที่เราจะต้องไปติดอีกต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปเกิดในนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่าทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำโดยไม่รู้ว่ามีผลตามมาก็จะไปเป็นเดรัจฉาน เช่นคนบางคนเขาคิดว่าการทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ทําได้เพราะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทามาหากินก็เลยทำโดยที่คิดว่าทำแล้วไม่มีผลเสียตามมาเพราะไม่ผิดกฎหมายกฎหมายก็ไม่ห้ามเรื่องของการฆ่าสัตว์ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเอามาเลี้ยงชีพ หรือแม้จะไปเป็นตำรวจเป็นทาหารไปจับคนแล้วอาจจะต้องฆ่าเขาตายเป็นทาหารเรวลาไปทำสงครามก็จะต้องมีการฆ่ากันอันนี้เขาก็คิดว่าต้องทำเพราะว่าเขาต้องปกป้องรักษาชีวิตของเขาเขาก็เลยคิดว่าไม่มีไม่มีผลเสียตามมาไม่มีบาปตามมา อันนี้ก็จะทำให้เราผู้ที่กระทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงนี้จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานนี่เขาก็ไม่รู้เวลาที่เขาทำบาปกันเวลาเขาอยากจะกินอะไรใครวางข้าววางของไว้เผลอละเขาก็้าบไปเลยเวลาเขาอยากจะเสพกามเขาเจอสัตว์ตัวไหนใกล้เขาเขาก็เสพเลยไม่สนใจว่าเป็น เป็นภรรยาเป็นสามีของใครหรือไม่ <Yeah. S 1> ผู้ที่กระทำบาปแบบนี้เรียกว่าทำด้วยความหลงทำด้วยความไม่รู้ <Yeah. S 1> ตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานกัน <Yeah. S 1> ส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความโลภ <Yeah. S 1> อยากได้มากมากอยากรวยมากมากอยากเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการทำบาปนีท่านบอกว่าก็จะไปเป็นเปรต แล้วก็ผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวคนอื่นเขาจะมาทำเราเราก็เลยไปทำเขาก่อนอันนี้ตายไปก็ไปเป็นอสูรล่กายแล้วถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทตายไปก็ต้องไปนรกอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างกฎแห่งกรรมได้ เหมือนกับที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อในกฎหมายของบ้านเมืองเราจะเชื่อไม่เชื่อถ้าทำผิดเขาก็จับเราไปขังคุกขังตารางจะไปบอกเขาว่าเราไม่รู้หรือเราไม่เชื่อเขาก็ไม่สนใจเมื่อเราทำผิดเขาก็จะต้องจับเราไปลงโทษมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราไม่ต้องไปรับผลไม่ต้องไปถูกลงโทษ ก็คืออย่าไปทำมันเท่านั้นเองการที่เราจะไม่ทำมันนี้เราก็ต้องมีฮิลิโอตปะมีความอายต่อการกระทำบาปมีความกลัวต่อผลของบาปที่จะตามมาคนเหล่านี้ชอบสวยชอบงานชอบให้คนเขารักเขาชอบเราไม่ชอบให้คนเขาเกลียดเรานั่งเกียดเรา คนเรานี่จะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทำบาปนี่แหละถ้าเราทำบาปนี้เราจะกลายเป็นคนไม่สวยไม่งามไปถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนทำบาปจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราถ้ารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกงขี้ขมโมยรู้ว่าเราชอบไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่น ไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ทำบาปใครก็อยากจะคบค้าสมาคมกับเราอยู่กับเขาแล้วเขาเบ า, เบาใจสบายใจไม่กลัวว่าเราจะไปทำร้ายเขานี่คือเราต้องรู้จักความอายว่าทำบาปแล้วทำให้เราเป็นคนน่าเกลียด ถ้าเราอยากจะเป็นคนน่ารักก็อย่าไปทําบาปแล้วก็ให้กลัวผลบาปที่จะตามมานารกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงถึงแม้ว่าเรายังจะไม่เห็นแต่ผู้ที่รู้ผู้เห็นมีอยู่แล้วก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็นนรกเห็นสวรรค์ท่านเห็นว่าการกระทําต่างๆของเรานี่ เป็นเหตุให้เราไปสวรรค์หรือไปนรกกันท่านจึงมาสอนพวกเราให้ละบาปกันให้ทําบุญกันเพราะถ้าเราละบาปได้ทําบุญได้ตายไปเราจะไม่ต้องไปรับโทษแต่เราจะไปรับรางวัลการไปสวรรค์นี้ก็เป็นเหมือนกับการรับรางวัลเช่นเวลาเราทำงานให้กับบริษัทถ้าบริษัทได้กำไรเขาก็จะพาเราท่องเที่ยว เราไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพราะเราได้ทำผลงานที่ดีให้กับบริษัทฉันใดถ้าเราไม่ทำบาปและเราทำแต่บุญตายไปเราก็ไปรับรางวัลในสวรรค์สวรรค์นี้เป็นที่ท่องเที่ยวในโลกทิพย์ของพวกเราถ้าเราอยากจะไปสวรรค์กันก็ขอให้เราทำบุญกันอย่าทำบาป ก, กัน แล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์แบบไม่กลับมาเลยเพราะสวรรค์นี่มีสองระดับสวรรค์ที่ไปแล้วต้องกลับกับสวรรค์ที่ไปแล้วไม่ต้องกลับถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับเราก็ต้องมาชําระต้นเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดใหม่เหตุที่จะทาให้เรากลับมาเกิดใหม่ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้เอง ความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆแล้วทาให้เกิดความสุขเช่นปีใหมน่นี้คนที่เขาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเขาก็ไปท่องเที่ยวกันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆเพราะเวลาไปเขาก็จะได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานแล้วก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นมา ถ้ามีความอยากแบบนี้เวลาที่ร่างกายตายไปความอยากมนนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้อยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายเหมือนกับร่างกายความอยากนี้ก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ไปสวรรค์เสร็จพอพอหมดบุญจากสวรรค์ก็ลงกลั บ, ม า, บมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าทำบาป ไปติดคุกติดตารางในนรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตพอบาปหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังมีความอยากที่จะมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปก็ต้องมีร่างกายเพราะเวลามีร่างกายเราก็จะได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมาหาความสุขอย่างที่พวกเรากำลังหากันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าเราไม่หยุดการหาความสุขแบบนี้เราจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเมื่อกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการอยู่การกินการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาเสี่ยงภัยกับอันตรายต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายการมาเกิดนี้ของพวกเรานี้มันไม่ได้เป็นการมาหาความสุขมันเป็นการมาหาความทุกข์กัน พระพุทธเจ้าบอกว่าน้ําตาที่พวกเราหลั่งกันออกมาในแต่ละพบนี้แต่ละชาตินี้ถ้าเอามารวมกันแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรใชอีกนี่คือปริมาณของน้ําตาที่เรามาล้อมกันเพราะพบชาติที่เรามาเกิดกันนี้มันนับไม่ถ้วนเป็นหลายพันหลายแสนล้านด้วยกันเกิดมาทีไรก็ต้องร้องห่มร้องไห้กัน แล้วเอาน้ำตาที่เราร้องผมร้องไห้มารวมกันเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสอีกนี่คือความทุกข์ที่พวกเราได้รับจากการมาเกิดกันถ้าเราเห็นโทษของการมาเกิดแล้วไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องมาหยุดความอยากกันวิธีจะหยุดความอยากก็ทําตามที่พระเจ้าทรงสอนอยากเอาเงินไปซื้อของไม่จําเป็นก็เอามาทําบุญแทนะ หยุดความอยากใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเงินมาซื้อบุญดีกว่าเพราะบุญจะทำให้ความอยากนี้มันเบาลงไปแล้วทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นให้เราหยุดการทำบาปกันเพราะทำบาปก็จะทำให้เราทําอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี้มันไม่ตายไปพออยากจะทาอะไรก็ทา ทำแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็อยากทำอีกเนี่ยถ้าเราต้องการจะหยุดการกระทำบาปเราก็ต้องอยากทำบาปแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะทำบาปแล้วเราก็ให้มาหยุดความอยากด้วยการนั่งเฉยเฉยหยุดความคิดอย่าคิดอะไรนั่งไหว้พระสวดมนต์ไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็นิ่งใจก็จะสงบ พอสงบความอยากก็จะหายไปแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็เอาปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากถ้าทำตามความอยากแล้ว เ, เดี๋ยวต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่า ก, กลับมาเกิดอย่าอย่าทาตามความอยากให้หยุดความอยากต่างๆการไม่มีความอยากนี่ ไม่ใช่เป็นของที่จะทำให้เราทุกข์เลยแต่กลับทำให้เรามีความสุขเวลาไม่มีความอยากนี้เราสบายเวลามีความอยากนี้เราวุ่นวายขึ้นมาทันทีอย่างตอนนี้เราไม่มีความอยากกันเรานั่งเฉยๆได้มีความสุขกันแต่ถ้าพอมีความอยากอยากจะไปทำอะไรอยากจะไปดูอะไรอยากจะไปกินอะไรอยากจะไปดื่มอะไรนี่อยู่ไม่เป็นสุขแนละ้ว ต้องไปทำให้ได้แล้วถ้าไม่ได้ทำก็วุ่นวายไมุ่ดหงิดลาคาญใจนี่คือโทษโทษของความอยากทำให้เราไม่มีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อ ย, อยถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องมาหยุดความอยากกันโดยการเจริญสติท่องพุโทโธไปเรื่อย ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราอยากอย่าให้ไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าให้ไปคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้อยากจะไปหาเขาถ้าไม่คิดเราก็จะอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกับไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่เราสามารถ ทำให้มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ได้ปีนี้ปีใหม่ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีกว่าปีเก่าเราสามารถทำได้ด้วยการทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำทาบุญให้มากขึ้นละ บ, บาปให้มากขึ้นทำบาปให้น้อยลงแล้วก็มาหยุดความอยากลดความอยากลงไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้น จะเจริญขึ้นไปมากขึ้นจนไปถึงขั้นสูงสุดได้ไปถึงขั้นของพพระพุทธเจ้าขั้นของพระสาวกทั้งหลายได้พอเราถึงขั้นนั้นแล้วเราก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำความดีให้มากขึ้นลดการกระทำความไม่ดีให้น้อยลงไป แล้วก็มาลดความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปและให้มันหมดไปด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมแล้วผลที่เราต้องการคือความสุขความเจริญความความเป็นสิริมงคลต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้จะดีขึ้นจะเจริญขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรพอเรารู้แล้วก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติแล้วผลอันเนิศอันประเสริฐก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้